ตับภาคยวาระวาระว่าด้วยเป็นส่วนนั้นสอยสถามสมถะเท่าไหร่เป็นส่วนนั้นแห่งวิวาทาทิกรสมถะเท่าไหร่เป็นส่วนอื่นแห่งวิวาทาทิกรสมถะเท่าไหร่เป็นส่วนนั้นแห่งอนุวาทาทิกรสมถะเท่าไหร่ เป็นส่วนอื่นแห่งอนุวาทาที่ก่อนสมถะเท่าไรเป็นส่วนนั้นแห่งอาปัตตาที่ก่อนสมถะเท่าไรเป็นส่วนอื่นแห่งอาปัตตาที่ก่อนสมถะเท่าไรเป็นส่วนนั้นแห่งกิจจาที่ก่อนสมถะเท่าไรเป็นส่วนอื่นแห่งกิจจาที่ก่อนตอบสมถะสองอย่างคือ 1. สั ม, มุขาวินยัย 2. เยพุยสิกาเป็นส่วนนั้นแห่งวิวาธาทิก่อนสมถะห้าอย่างคือ 1. สติวินยัย 2. อ, อมูระหาวินยัย 3. ปติญญาตกรณะ 4. ตัดสปาปิยสิกา 5. ตินวัฏฐารกะเป็นส่วนอื่นแห่งวิวาทาทิก่อน สมถะสี่อย่างคือ 1. สัมมุขาวินนย 2. สติวินยัย 3. อมูรหาวินนย 4. ตัดสปาปิยาสิกาเป็นส่วนนั้นแห่งอนุวาถาที่ก่อนสมถะสามอย่างคือ 1. เยปุยาสิกา 2. ปฏิญญาตการณะ 3. ตินวัฏฐากะ เป็นส่วนอื่นแห่งอนุวาธาธิก่อนสมถะสามอย่างคือ 1. สัมมุขาวินยัย 2. ปฏิญญาตการณะ 3. ตินวัฏฐารกะเป็นส่วนนั้นแห่งอาปัตตาธิก่อนสมถะสี่อย่างคือ 1. เยปุยสิกา 2. ส, สติวินยัย 3. อมุรหาวินยัย 4. ตัสปาปิยาสิกาเป็นส่วนอื่นแห่งอาปัตตาที่ก่อนสมถะ1หนึ่งอย่างคือ 1. ส ม, มุขาวินาันเป็นส่วนนั้นแห่งกิจจาที่ก่อนสมถะ6หสมุธฐานคือ 1. เยพุยาสิกา 2. ส, สติวินยัย 3. อมูราหาวินยัย 4. ปติญญาตาการณะ 5. ตัดสปาปิยศิกา 6. ตินวัฏฐากะเป็นส่วนอื่นแห่งกิจจาที่ก่อนตับภาคิยวาระที่8จบ